ขอนอบน้อมแด่ พ, ดพระผู้มีพระภาครหันนาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นจ <c oughs> อแต่ริไปให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภ า, <c oughs> ภาวนาพุโทธโธพุทโธในใจไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกและไม่ให้ใจมีความสงสัยในที่ข้งปวงจงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้น จะเป็นความดีใจชี้ใจทุกโทมนัดครับแขนแน่นใจอันใดก็ตามให้วางไห้เสียก่อนอย่างว่าร่างกายสังขารมันเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กเล็กใน้นอยก็อยากไปยึดถือธรรมดาลูกประขันร่างกายของมนุษย์คนเหล่านั้น ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะมาให้มีเสีเลยย่อมไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ภาวนานี่ก็เพื่อจะให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆคือเพื่อว่าจะได้ภาวนาทําความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไป จนไม่มาเกิดอีกพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ดีถ้าเกิดมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลลูกนามกายใจอย่างนี้แล้วมันลบหลีกไม่พ้นเมื่อลบหลีกไม่พ้นเราต้องทำใจของเราให้มันขยันในการปฏิบัติบูชาภาวนา <c oughs> อันพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรานั้นประเดิมแต่พระองค์ปากานาโพธิญาณเพื่อตรัสลูพระอนุตตรสัมมาโพธิญาณเพื่อลูกลือขนมนุษย์และเทวดายินทมทั้งหลายให้ไปสู่นิพพานพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานลักสาศีลภาวนาตั้งแต่ครั้งกน้นมา จนครอบสีอสงไขยแสนมาหากรนับว่าเป็นเวลายาวนานอยู่ถึงกำนั้นพระองค์ก็ยังเพียรพยายามเอาจนได้สำเร็จได้อันเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาเล็กๆไม่น้อยก็ต้องอาศัยความอดทนในจิตใจของตนบ้างยาเพียงแต่ว่า มีรูปร่างกายแล้วถ้ารูปร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายไปด้วยอันเนี่องจาให้เป็นเช่นนั้นเมื่อร่างกายไม่สบายร่างกายมันเป็นเรือนของจิตจิตใจมาอาศัยเรือนหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยธรรมดาบ้านเรือนฝ่ายนอกก็ย่อมมีการสํารุษทุดทร ร่างกายของมนุษย์คนเราเรียกว่ารูปประขันธ์นี้จะย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองเราให้ระลึกถึงพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์สเสด็จออกบรรพชาเมื่อสมัยอายุได้ยี่สิบเก้าปีจนมาถึงอายุสามสิบห้า เป็นเวลาหกปีกว่าจึงมาถึงสถานที่พระพุท ธ, ธเจ้าจะเลสัสสุเป็นพระพุท ธ, ธเจ้านั่นได้มาถึงต้นไมโพมานั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกกรมูลล่มให้คือเป็นที่วิเวกเย็นสบายในวันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็รู้สึก มีความปีติยินดีในล้มโพนั้นแต่ก่อนนั้นยังไม่เรียกว่าล้มโพยังไม่เรียกว่าต้นไมโพเป็นต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นเมื่อพระองค์มาตรัสรู้แล้วจึงให้ชื่อว่าต้นไม้โพธิโพธิยานต้นโพธิลัง วันนั้นเมื่อพระองค์มาถึงก็อยู่ที่นั่นตลอดวันมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่แนตั้งแต่เช้ามาไม่ไปไหนวนเวียนอยู่ในล่มไม้นี้แขกเลี้ยงโคมีศรัทธาไปเกี่ยวหญ้าคามาได้แปดกรม เพื่อให้ท่านได้อาศัยหญ้าคาแปดกรรมนี้เป็นที่หลับที่นอนสบายดีเพราะว่าไม่มีเสนาสะนะอันใดยกพื้นเลยเอาหญ้าคานี่แหละปูนอนแคกคิดอย่างนั้นจึงได้เอาหญ้าคาแปดกรมมาถวายพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสลูกเป็นพระพุทธเจา้า เมื่อมาถวายแล้วพระองค์ก็ไปนิจพิจารณายาคาทั้งแปดกรรนี้ยาปูทิศไหนของต้นไม้ต้นนี้ดูทิศเหนือก็ไม่เหมาะทิศตะวันตกก็ไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะพระองค์เห็นว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลจึงได้เอายาคาทั้งแปดกรรนั่นตูลงไป ทับกันไปทับกันมาพระองค์ูนั่งไม่เสร็จมุ่งเพื่อจะนอนคือคืนวันนั้นพระองค์ไม่ตั้งจิตเจตนาจะนอนตั้งใจจะาพาวนาเพื่อตรัสรูสร้เป็นสะพธิจาเมื่อเอาญาคาทั้งแปดกรรมปูพื้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เข้านั่งสมาธิภาวนา บนหญ้าขานั้นพินหลังให้ต้นไม้โผไม่ต้นไม้ต้นนั้นพินหน้าพะพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งก็นั่งขัดสมาธิเทตไม่ใสเอาขาขวาทับขาไสาเอาขาไสาขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาไสาเอามือขวาทับมือสาสตั้งกายให้เที่ยงตรง พระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาช่างนี้จะให้เป็นช่างสุดท้ายเพื่อตรัตสรู้เป็นพระพุทธเจา้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัตสรู้เป็นพระพุทธเจา้าก็จะยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องไปแสวงหาอาหารการกินอะไรทั้งหมดคำนี้นั่นเป็นเครื่องเตือน จิตใจของพระองค์และพวกเราทั้งหลายว่าทำอะไรจะต้องทำจริงดูพระพุทธเจ้าวเวลาท่านจะเอาจริงท่านมีสัจจะอธิษฐานตั้งลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือจะหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะนั่งภาวนาตรงนี้โดยไม่มีท่อแพร่ในหัวใจ แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็เสียสละเป็นครั้งสุดท้ายเอาชีวิตแรกอีกทีหนึ่งคือยอมตายในที่นั่งสมาธิจิตใจของพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จริงแต่ว่ามีจิตใจอันสามารถอาจานในการ ตั้งจาตอธิฐานอันนั้นกิเลสมานพยามารทางหลายก็ยบย่อไปไม่มาหลอกลวงได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วเทนี่ก็มาถึงอุบายเลือกอุบายภาวนาพระองค์ก็เลือกได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก คนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพวกเราทั้งหลายก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่เมื่อเราไม่ตั้งใจกำหนดก็เหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆไม่มีลมหายใจความจริงแล้วทุกคนที่มีชีวิตอยู่ก็มีลมหายใจพระพุทธเจ้าของเราก็เลือกเอาอนาปาลมหายใจนี่แหละเป็นอุบายภาวนา เวลาสูรลมเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเย็นสบายโล่งปร่งเข้าไปในปอดธาตุลมธาตุอากาศนี่ไปเลี้ยงร่างกายเมื่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาอากาศที่เสียก็ปล่อยไปก็สูรลมหายใจเข้าไปใหม่อย่างนี้ตลอดเวลาพระองค์ก็จับจุดตรงนี้เอง เป็นอุบายภาวนาอันลมหายใจเข้าออกนั้นเขาเป็นธาตลมมีหน้นาที่เข้าออกเป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่จิตใจของพระองค์หรือจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้มารู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออก นั่นก็คือว่าจิตใจของคนเราแต่และบุคคลนั่นเองแต่จิตใจนี้ไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนเหมือนวัตถุเข้าของต่างๆจะเอาอะไรมามัดจิตใจดวงผู้ลู้ในตัวไม่ได้ทังนั้นพราะองค์ก็เอาลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นเครื่องยึดเหนียวไม่ให้ไปที่ไหน ลมเข้าไปก็ทำความรู้สึกว่านี่เป็นลมเข้าไปลมออกมาพระองค์ก็ทาความรู้สึกเน้อว่านี่เป็นลมออกมาลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้ลมเข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ลมอย่างหยาบลมอย่างการลมอย่างละเอียดพระองค์รู้ทางนั้นแล้วว่ารวมจิตรวมใจให้มาอยู่ที่รู้ว่าลมหายใจ คือดวงจิตดวงใจของพระองค์นั่นเองส่วนธาตุลมนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นธาตุดินคือร่างกายที่เรามองเห็นนี่แหละธาตุน้ำก็น้ำเลือดน้ำเลื้ยงธาตุลมก็คือลมหมายใจธาตุไฟก็ได้แก่ความร้อนความอบอุ่นในตัวคนเรานั่นเอง ร่างกายสังขารของคนเราทุกคนคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละประชุมกันโยเมื่อธาตุทั้งสี่สมำเสมอกันโยชยีของบุคคลเราก็เป็นมาโดยลำดับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจนไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเหมือนแต่เก่าก่อน เอาจิตใจมาจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วก็รวมจิตรวมใจตรงนี้เองรวมลงไปเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือจิตใจดวงที่รู้ว่าลมหายใจส่วนธาตุลมหายใจนั่นเป็นเรื่องของธาตุหรือดินน้ำไฟลมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัว เป็นรูปร่างเป็นตัวคนเราแต่มีจิตใจอยู่ภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งร่างกายสังขาร น, นี่มันเป็นเสียงธาตุดินธาตุน้าํนาธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเมื่อธาตุเหล่านี้ยังคมกันติดอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตจิตใจเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุเหล่านี้มันจะแตกจะทําลายเอาอยู่ไม่ได้ เมื่อธาตุเหล่านี้ไม่ไม่รวมกันเข้าได้แต่กระจัดกระจายก็ให้ชื่อว่าคนเราตายไปความจริงธาตุดินมันแยกกันไปธาตุน้ำธาตุไฟมันแยกออกไปก็ให้ชื่อว่าคนตายความจริงดวงจิตดวงใจผู้ภาวนามันไม่ได้ตายดินมันตายน้ำมันตายไฟมันตายลมมันตายมันไม่ยึดเหนี่ยว มันแปลสภาพไปสู่สภาพเดิมดินอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่สภาพเดิมน้ำธาตุน้ำอยู่ที่ไหนก็ไปสู่สภาพเดิมธาตุไฟธาตุลมอยู่ที่ไหนมันก็ไปสู่ธาตุเหล่านั้นดวงจิตดวงใจของเราพุทธเจ้าก็มารวมในใจแร้วกว่าเอาจิตใจมาตั้งมั่นภายในไม่หลงไหลไปในที่ใด จิต ใ, ใจของพระพุทธเจ้าก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่มีหลายจิตหลายใจเหมือนแต่เก่าก่อนรวมสงบลงไปที่รู้ว่าลมเข้าลมออกจิต ใ, ใจของพระองค์ก็เป็นดวงเดียวเรียกว่าเป็นคันนิกาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิภาวนาไม่ไหวหวั่นท่านดึงด้วยเหตุการณ์ใดๆนั่งแบบไหนท่านก็จิตใจเป็นสมาธินอนอยู่ก็เป็นสมาธิเดินไปไหนมาไหนก็สมาธิจิตตั้งมัน่นกำลังจิตอันนี้แหละก็มีกำลังมีความสามารถอาดหานเมื่อมันรวมตั้งมั่นแล้ว จิตที่จะแสตายลุ่มหลงไปตามสังขารละมานกิเลสมาตามธรรมดาก็ไม่มีทางไปมาลวมมาสงอบอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ให้สังเกตให้ดีวะดวงจิตดวงใจของคนเหล่านั้นดวงดั้งเดิมก็คือดวงที่รู้อยู่ดวงที่รู้อยู่นั้นไม่ใช่เป็นลูกเป็นล่างอย่างไร เมื่อเสียงกระทบเข้าไปที่หูก็ไปรู้ที่จิตนั้นเมื่อตาเห็นลูกกระทบทางตา ม, มันก็ไปรู้ที่จิตนั้นจิตดวงนั้นจึงให้ชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่มันรู้อยู่ในกายนี่แหละรู้อยู่ในจิตใจนั้นเมื่อพระองค์มาทำจิตใจดวงนี้ให้แก่กล้าสามารถเต็นที่แล้วจึงได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่า นามลูกหมายถึงกายกับใจนี่นามลูกกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราของเราทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปการที่จิตใจมายึดมาถือว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าเข้าใจว่ามันเป็นความสุขความสบายก็ไม่มีในใจพระพุทธเจ้า ธรรมดาลูกนามกายใจของคนเราเมื่อมันมีเกิดขึ้นก็ต้องมีแตกดับเป็นธรรมดาและคนเรามาเยอดว่าตัวเราของเรากายเราใจเราความจริงแล้วดินน้ำไฟลมหรือว่าลูกนามลูกหมายถึง ล, ลูกร่างกายนามหมายถึงดวงจิตก็ไม่ใช่ตัวตัวของเราจิต ท่านกำหนดรูอย่างนี้ไนดะ้แจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดได้ชัดเจนท่านก็เลิกละปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเป็นตัวเป็นตนของพระอง์มีสมาธิตั้งมั่นลงไปมีปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรูในกองสังขารลงไปในจิตใจดวงสี่รูนั่นเอง จนจิตใจดวงนั้นเกิดปัญญาเกิดยานอันวิเศษตัดกิเลสลาคะหมดไปตัดกิเลสโทสะหมดไปจัดตัดกิเลสมูหะหมดไปตัดความอยากความต้องการในิเลสกามวัตถุกรรมได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็แจ้งโลกแจ้งธรรมแน่ว่าปล่อยวางได้ทุกอย่างมีสติเป็นมหาสติ มีสมาธิเป็นมหาสมาธิมีปัญญาเป็นมหาปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอ า, านาขนเกินมนุษย์และเทวดายินสมทั้งหลายจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ตรัสลู ด, ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ละกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปในคืนวันนั่น ไม่มีกิเลสกองไหนที่จะมาดึงเอาจิตใจของพระองค์ให้มายินดียินไล่ทุ่งซ้านลำคาญทุกรอ้อนอนาถในใจอีกต่อไปเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดขาดตัดได้จริงละได้จริงปล่อยได้จริงวางได้จริงไม่เหมือนก่อนๆแตก่ก่อนมานั้นคือว่าเลิกได้ละได้แต่อาการภายนอก มาคราวนี้แล้วว่าภายนอกก็เลิกได้ละได้ภายในก็ตัดได้ละได้จนแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของพระองค์เองนี่คือว่าเป็นเรื่องของพระพุทธ อ, องค์หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็โปรดปัญจวัคคีลือศีทั้งห้าโปรดอุบาสกอุบ า, าสิการัต t h ชาวบ้านสอนเทวดาอินทร์ลมให้ได้บรรบลุมรรคผล พระองค์ไม่ทอถอยเมื่อสาวกทั้งหลายได้สาเร็จมรรคผลก็ส่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนพระองค์ก็ประกอบกระทาอยู่ในพุทธกิจห้าประการตอนเช้าโปรดสัตว์ในทางบินทั บ, บาทตอนบ่ายเย็นเย็นก็ ตัพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านตอนพบคําอย่างเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนานี่แล้วว่าเป็นเวลาประธานโอวาทแก่พระภิกษุภิกษุณีสาวกสองทั้งหลายผู้มาบรรพชาอุปสมบทแล้วว่าเป็นนักบวชสอนให้ภาวนาทำความเพียรล้วจเล ยาได้ไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกสาวกเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ผู้ที่ยังไม่ได้สําเร็จมรรคผล <c oughs> ก็คอยได้สําเร็จมรรคผลไปองค์ใดที่สําเร็จมรรคผลละกิเลสความโกรธหมดแล้วละกิเลสความโลภความหลงหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าจิตใจไม่สงบระงรับ ไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนายึดใจยังอาศัยตัณหาคือความอยากความทะเยอะทะยานในใจอยู่อันนี้แหละมันเป็นปัญหามันคอยสร้างพกสร้างขาดสร้า ง, างอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาเยอะแยะเพราะไม่ภาวนาในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไป พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนสาวกทั้งหลายอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกปีจานตัดในจิตในใจให้มันเด็ดขาดลงไปอะไรอะไรอย่าไปกลัวมันเจ็บมันไข้มันตายก่เลสในจิตใจมันไม่ตายง่ายๆรูปร่างกายของคนเราต่างหากมันแก่ชรามันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันรอวันตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แต่จิตใจคนเรานะ <c oughs> ที่เพิ่มให้ชื่อว่าจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั้นรูปประคันร่างกายนี้มันเกิดตายมานับพบนับขาดในส่วนแล้วเรียกว่าอเนกชานับขาดไม่ได้นับพบไม่ได้นับเก็นกลับเกินกันมันก็มาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้จิตมันไม่ตาย รูปร่างกายแตกดับตายเมื่อใดจะตายอุปเทวิเหตตายทำเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาต่อตามเมื่อรูปประหารร่างกายมันแตกมันตายแล้วจิตใจมันก็แสวงหาพบไม่ชาติหม่อี้าทําชั่วก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์จริงเดรัจฉานบ้างถ้าทําดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทวดาอินทร์ชมไปสามเรื่อง ถ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วภาวนาตัดบ่วงห่วงอะไรตัดกิเลสตัณหาออกจากใจได้หมดสิ้นก็ไปถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาวกวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้อีกพระพุทธเจ้าก็ข้าสอนสาวกอย่างนี้ทุกคืนทุกคืน เมื่อสาวกสาวิกาศรัทธาญาโยมทั้งหลายไปภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจงกรมหลังจากนี้ไปแล้วตอนเที่ยงคืนเป็นเรงเป็นเวลาเทวดาพวกกายทิพ์มีเทวาบุตรเทวดาพยาอินพยาพมลงมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือมีปัญหาขับข้องอย่างไรก็มา ทพระพุทธเจ้าให้พระองค์ชี้แจงแสดงแสดงธรรมให้เทวดาฟังภัทรลเตเทวปัญหาหนังเมื่อมีปัญหาอะไรก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้เทวดาฟังเทวดาตนไหนมีศรัทธาแก่กล้ามีบุญบรารมีมาแต่พวก่อนท้นหลังแก่กล้าสามารถพอจั กระพิดตามปฏิบัติตามได้เทวดานั้นก็ทำตามละอิเลสลาคะโทสะโมหะของตนให้หมดสิ้นไปก็ถึงซึ่งนิพพานได้เหมือนภาษสาวกเจ้าทั้งหลายหลังจากเทวดาเลือกลาไปในเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วจวนจะสว่างก็มีกิจอันหนึ่งของพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเรา ว่าพระองค์พิจารณาสัตว์โลกหมายถึงทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายผู้ใดตนไหนคนใดพระองค์ใดเนนององค์ใดก็ตามเมื่ออินทรีบรารณีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในเวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติภาวนาอยู่นั่น เืิญข้าวก็ไปโปรดถ้าไม่มีก็บินธบาโปรดสัตว์ตามเคยอันนี้เป็นกิจวัดของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสลู้ในโลกแล้วล่วงลับไปแล้วมากมายเท่าไรก็ตามย่อมมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้ประจําพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันเราทุกคนแม้ยัง มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ถึงหากว่าไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามได้พบพระธรรมีในสัจธรกมศาสนาคำสอนของพระพุทธเจา้ายังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในพุทธศาสานาก็ให้พาดันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา จะบริกรมรมภาวนาจะพิจารณากายกตาสติกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังของเราก็ได้ทางนั้นให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้จิตใจมันไม่ยังไม่เอาจริงยังรวมจิตใจของตนไม่ได้จิตใจยังไม่สงบยังไม่เป็นจิตใจดวงหนึ่งดวงเดียว ถ้าจิตนี่มารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วนั่งก็ไม่ง่วงเหงาเหงาหนอนคนที่นั่งภาวนาแล้วงหลับงงเงี้เป็นปอมกาต่อดเงานั้นคือว่าจิตใจมันยังไม่ได้เข้ามันออกนอกมันยังไม่ได้เข้าในจิตจิตใจยังไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว อย่าไปปล่อยให้มันความขี้เศาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญไส่การไม่ได้เนกบริกรรมภาวนาพุทธโธในใจเตือนใจของเราว่าอย่ามาง่วงเหงาเหาหนอนความแก่ความชลามันไม่ได้รอท่าไข่วามเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละความตายก็จะมาถึงเข้า เมื่อความตายมาถึงเข้าเรายังทำความเพียรละกิเลสยังไม่เด็กขาดจะมาล่องให้น้ำตาไหลกับกองกระดูกอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีจองลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏบิบัติบูชาภาวนายาได้สั่งเตอเอาจิตใจให้ในความสงบตั้งมั่นลงไปเหมือนพระสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมในสมัยครั้งพุทธกาโนน สมัยโน้นเป็นสมัยปฏิบัติภาวนาคือว่าญาติโยมแม้จะเป็นคารือหักเป็นฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านได้ฟังคำค ำ, คำสอนพระพุทธเจา้าได้ฟังคำคำสอนสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นาไปปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้ จนถึงขั้นละกีแลความโกรธได้ละกีแลความโลภได้ละกีแลความหลงได้เป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนานับไม่ทวนขั้นตกมาถึงพวกเราทั้งหลายมักจะอ้างการอ้างเวลาผู้ที่โยในคารวะญาติโยมก็หาเวลาไม่ได้เพราะมีกิ จ, จกรรมการงานหน้าที่ของตนทําไปวันหนึ่ง ไม่มีเวลาภาวนาพุโทโธเลยส่วนพระภิกษุสา ม, มนเณรผ้าขาวนางชีผู้มานอนวัดนอนมากะว่าห า, าเวลาไม่ได้ทำนั่นทานี่คิดฟุ้งซ่านไปตลอดวันตลอดคืนก็หมดไปจิตใจก็ไม่สงบหลงับนี่แหละคือว่าความไม่ตั้งใจเราต้องตั้งใจลงไปว่าเวลาเป็นของมีค่าเวลามีอยู่ทุกเวลา ภาวนาดูให้ดีวันหนึ่งหนึ่งท่านนับทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาก็มีอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาเหล่านั้นเราไปทิ้งที่ไหนมันก็มีเวลาอยู่อย่างนั้นเลยความไม่ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจเลยไปติเวลาเวลาว่าไม่มี ไม่มีมันเอายืนได้อย่างไรเดินไปได้อย่างไรนั่งได้อย่างไรนอนได้อย่างไรพูดอยู่ได้อย่างไรมันมีอยู่นี่แหละคือว่าใจไม่ตั้งใจร่มลุกคุกขานไม่นึกไม่น้อมภาวนาคงมีตั้งแต่เรานอนอยู่ในท้องแม่พลอดออกนานแล้วก็เป็นคารลกตัวน้อยนิดเดียว จเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มจนเลยหนุ่มมาเป็นคนแก่คนชราต็มีนี่แหละมันมีอยู่ทุกคนแต่ว่าเมื่อคนเราไม่ตั้งใจลงในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เวลานี้ก็เลยเข้าใจว่าไม่มีเวลาก็มักจะโยนไปให้คนโน้นบ้างโยนไปให้คนนี้บ้างว่า ตัวเรายังไม่ถึงเวลาเวลามันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุท ธ, ธเจ้าท่านจึงสอนว่าการภาวนานั้นดูลมหายใจเข้าออกให้ดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมันมีอยู่ทุกเวลาเข้าแล้วก็ออกมาออกไปแล้วก็สูดเข้าใหม่ถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้าไม่ได้คนเราก็ตาย ลมหายใจที่เข้าไปแล้วติดขัดหายใจออกไม่ได้คนเราก็ตายตราบใดที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่กว่านี้แหละเป็นโอกาสอันดี <c oughs> ไม่ใช่ว่าได้จะลมหายใจจิตจะต้องมีสติระลึกว่าเวลานี้เราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่ จิตของเราเมตติไหมเดี๋ยวนี้สมาธิในใจนี้มันตั้งมั่นหรือไม่จริงนี้แหละเราจะต้องเราลึกอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ให้จิตใจเถือเลอและไม่ให้จิตใจลืมพุทโธในใจก่อนนึกไว้จเจริญไวใครเป็นผู้นึกพุทโธก็จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละเป็นผู้นึกเป็นผู้จเจริญอยู่ เมื่อจิตใจดวงนี้นึกอยู่จเจริญอยู่ตั้งใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ชื่อว่าเราตั้งโยในความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญผู้ใดมีแต่ความประมาทมัวเมายังเด็กกว่าเด็กอยู่เช้ากว่าเช้าเกินไปสายกว่าร้อน กลางวันกะวะ่ากลางวันกลางคืนกะวะ่ากลางคืนหาเวลาไม่ได้ไม่ต้องไปหาเวลาอื่นให้ถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักอดีตมันล่วงมาแล้ว <c oughs> ดีชั่วประการใดตัวเราทํามา <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์นั้นมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ จิตมีความรู้อยู่ในตัวในกายในจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันอันนี้แหละให้ตั้งขึ้นมารวมลงไปที่นี่ให้มีความสงบตั้งมั่นภายในอันนี้ให้ได้ส่วนเรื่องราวใดที่จะเป็นไปในอนาคตแการดีกว่าตามไ่กว่าตามอันนั้นมันก็ยังอยู่ข้างหน้าอนาคตแตการ สิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปคิดไปคำหนึ่งเอาจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเมื่อราวทบทวนกระแสะเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้รวมลงที่นี่ไม่ใช่ที่โ น, น้นที่นี้ปัจจะตังเวทิตโภวิญโยทิ ที่นี่ก็คือจิตดวงที่รู้ที่ฟังอยู่ได้ยินเสียงอยู่ที่ไหนเราก็รวมเอาจิตใจดวงนี้ที่นี่มันก็ลงจิตลงใจนี่แหละเมื่อรวมลงที่นี่แล้ววันไหนก็ทำได้คืนไหนก็ภาวนาได้เดินไปก็ภาวนาได้นั่งอยู่ก็ภาวนาได้นั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ เพราะว่าปัจจุบั น, นธรรม ท, ที่เป็นปัจจุบันดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าพระอราหารันตเจ้าทั้งหลายท่านทำความพรยงละกิเลสไม่ใช่ท่านไปทำในอดีตอนาคตท่านทำในเวลาปัจจุบันท่านละในเวลาปัจจุบันท่านเห็นจริงเห็นแจ้งในเวลาปัจจุบัน ท่านปล่อยท่านวางในปัจจุบันที่ท่านมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลท่านไม่ได้ให้ผู้อื่นละกิเลสแทนท่านละกิเลสของท่านเองกิเลสความโกรธท่านก็ละเมื่อกระทบกระเทือนอันใดเกิดขึ้นมาก็ไม่ให้จิตใจไปขัดเคืองตามอารมณ์ที่เราโกรธเราเกลียดแค่นั้น ธรรมดาจิตใจคนเราที่เป็นเจ้าโทสะใครทำอะไรไม่ถูกใจโกรธใครพูดอะไรไม่ถูกหูถูกใจโกรธมีแต่ความโกรธไม่หัวใจอยู่อันนี้เรียกว่าโทสะเจริ้ละให้หมดทิ้งให้หมดเอาจิตใจดวงผู้รู้แจ้งแทงตลอดไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเรา ย็ดใจให้แจ้งใสหมดจดสะอาดเขาดามาก็ยาให้ถูกคือยาไปยึดเอาความจริงที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่คือจิตนั่นแหละมันไปยึดเอายึดว่าตัวอันนี้เป็นตัวเราแท้จริงมันก็เป็นแต่ว่าเลือนล่างชั่วระยะหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสานาเพื่อจะได้ภาวนาละกิเลสเท่านั้นเอง เมื่อเราได้มาเกิดมาอาศัยแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยกิเลสอันใดมันมีโยภายในก็เพียรละไปนั่งก็ละภาวนานั่นแหละเมื่อนึกภาวนาอยู่ไม่นึกไปตามกิเลสก็ชื่อว่าภาวนาตัดไปทีละน้อยทีละน้อย เมื่อตัดได้มากเข้ามากเข้ากิเลสเหล่านี้มันก็ขาดจากจิตใจของคนเราเพราะว่ากิเลสเป็นของละได้พระพุทธเจ้าละให้เราเห็นแล้วว่าได้เป็นพระพุทธจเจ้าพอละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงเพราะพระองค์นั่งภาวนาวันนั้นคืนนั้นท่านนั่งภาวนาตอดร่างแต่หัวข่ำพกข่ำ จนแจ้งสว่างไม่ยึดนั่นถือนี่ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าใจสงบหลังอับใจตั้งมั่นเย็นสบายใจไม่ยึดความโกรธความโลภความหลงนั้นใจมันก็ต้องสบายนั่งนานก็ไม่ทุกคนเรานั่งเห็นนินดๆ น, น้อยๆเป็นทุกกายทุกใจกระสับกระส่ายก็เพราะว่าใจมันไม่หยุดไม่อยู่ ใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าทุกกายนั่นเป็นของมีอยู่ทุกกายก็ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความชรามีเหมือนกันกันกบคนเห่าไม่ต่างกันเมื่อแก่ชราแล้วก็ไม่มีทางหลบหลี แต่ต้องมีเวลาแตกดับตายไปแต่ว่าจิตใจของท่านดีใจไม่มีกิเลสลาคะโทสะโมหะพ า, าให้มุนเวียนเปลี่ยนไปมาเมื่อพระท่านตายจึงให้ชื่อว่าพระนิพพานพระองค์นั้นองค์นี้นิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้านิพพานที่กรุงกัมินละพัท ภาษาวกเจ้าทั้งหลายเมื่อเสี่ยงอายุสังขารท่านก่อ น, นิพพานไปตามธรรมดาของสังขารส่วนจิตใจที่เป็นตัวนิพพานจริงๆอย่างพระพุท ธ, ธเจ้าวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธียานใต้ต้นพวงไม่โพนั่นแหละตั้งแต่นั้นมากิเลสในใจพระพุท ธ, ธเจ้าหมดไปสิ้นไปใครมาด่าอะไรพระองค์ก็ไม่โกรธ ก็ะไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเหล่ายึดของของเหล่าแลเรื่องก็สงบอยู่นั่นเอง <c oughs> บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาสู่สมาคมสถานที่นี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาภาวนาละอิเลก็ยามีความทอถอย อย่าไปคิดว่าคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโกรธให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความโลภให้เราคนไหนหนอจะมาละกิเลสความหลงให้เราไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่บุคคลอื่นบุคคลนั่นได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์กระทรงตัดใจว่าการภาวานาระกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลาย เราตถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัสผู้บอกผู้สอนแนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นสาวกต่างหลายจะต้องกำหนดกรนมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปส่วนหนึ่งตังหาไม่มีใครจะไปละกิเลสให้แก่กันะกันดูแต่เวลาเราท่านตงหลายรับประทานอาหาร เราไปมอบให้คนอื่นทานเราไม่ทานมันจะอิ่มไหมไม่ได้ใครหิวก็บริโภคไปก็อิ่มไปเองการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาของเราแต่และบุคคลก็เหมือนกันเราต้องทำเองปฏิบัติเองความโกรธนี้มากน้อยเท่าไรก็เลิกละออกไปไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมความโกรธนะั้นมันก็หมดไป เหมือนไฟที่มันติดขึ้นมาเราไม่ให้ฟืนให้น้ำมันมันไฟมันกะยกไปดับไปเป็นธรรมดาไฟกิเลสในใจของเราเมื่อเราเห็นมันลุกขึ้นเรากดดับคือว่าดับความโกรธในใจดับความโลภความอยากได้ในใจดับความหลงกายหลงจิตในใจของเรา เมื่อดับด้วยสมาธิภาวนาทำให้แจ้งในจิตในใจของตนของตนแล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นเย็นสบายจิตใจของผู้นั้นก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาทานไม่มีความท้อแท้ออนแอร์กลัวตายประการใดมันตายแต่รูปร่างกายจิตใจมันไม่ตาย ใจมีปัญญาใจละกิเลสราคะโทสะโมหะได้แล้วมันไม่ตายรูปร่างกายนี้ถึงอย่างไรอย่างไหนมันก็ตายวันอย่างคำตายคืนอย่างลงตั้งแต่เกิดจนตายมันตายได้ทุกวันเวลาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แจ้งแจ้งชัดเจนในจิตใจของเราแล้วเราทุกคนก็จะได้เร่งรีดเร่งภาวนา ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องรอวันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีมันเป็นสมมติอันนึ่ผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่นภาวนาพุโทโธให้มั่นคงในใจเตือนจิตเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วยาให้เสียเวลา ทุกลมหายใจเข้าออกให้ภาวนาอยู่ในจิตในใจเอาจนจิตใจดวงนี้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฎิบัติความลังเลสงสัยก็หายไปจิตใจก็จะก้าวหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสาลฉะนั้นเมื่อว่าเล่าท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจานำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการลันียาถาวะลิกวาหาปุลาปาลิปุรินติสากลังเอ ว, เวอังเนวะหิตโตทินังเปตานางลุปกะปะติอิชิกังปฏติตังตุมหังจิตตเมวะสมิตสตุ สัเพเพปูเลนตุสังกปาจันโทพนละลายโสยะธาณิโชติระโสยะธาสกิติโยวิวัตทันตุสัพพโลโกวินัส ต, ตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะภะวิวาทนาสีริสสนิจังวุฒาปัจจายิโนจักกาโรโอธรรมาวาทันติ อายุวันโอสุ ข, ขังตาลัง <c oughs> ตามนั่งสมาธิภาวนาในภาคกันนั่งขัดสมาเทศการนั่งขัดสมาเทศนี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุธธทธเจ้าของเรา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 เวลานึกภาวนาพุโทโธในใจนั้นกำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาจิตใจรับรู้เสียงด้วยที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วก็ลมหายใจเข้าออกท่านก็มาให้หลงลืม คือว่าลมหายใจเข้าและออกมันมีอยู่ตลอดเวลาคนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมมีลมหายใจเข้าออกเป็นกฎธรรมดาการลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็เป็นโอบายเตืนใจของเราว่าชีวิตของคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปี วันคืนเดือนปีมันไม่หมดไปไหนหมดปีนี้ปีใหม่มันก็มาหมดเดือนนี้เดือนใหม่มันก็เกิดมีขึ้นแต่ชีวิตคือลมหายใจเราทุกคนนั้นทุกวันที่เราหายใจเข้าทุกมันที่เราหายใจออกเป็นการแสดงถึงมรณะกรรมฐาน คือชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอายุจริงๆก็ตรงที่ลมหายใจนั่นแหละไม่ใช่วันคืนเดือนปีถ้าลองลมหายใจนี้ไปหยุดที่ไหนหรือหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็เป็นที่ตายของคนเราแล้ว หรือลมออกไปแล้วถ้าเราสูดเข้ามาไม่ได้นั่นก็คือเป็นที่ตายได้เหมือนกันมาลนะกรรมฐานนี้พระพุท ธ, ธเจ้าของเราเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ท่านตักเตือนตรัพเทศนาสอนลักหนาว่าให้พากันนึกภาวนานั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ว่าอุบายใดถ้านึ้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตนั้นก็จะรวมสงบได้ทุกทุกคนโดยเฉพาะมารณะกรรมฐานนี้คนเรามักจะประมาณคือเข้าใจว่าเราไม่จะไม่ตายง่ายง่ายเมื่อใดก็ได้ ผู้ที่ยังเด็กยังน่มก็ว่าเรายังเด็กยังนมอยู่ภาวนาเมื่อใดก็ต้องทันต้องได้อันนี้เป็นความประมาทโมเ ม, เมาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เตือนสาวกทั้งหลายว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจองนึกน้อมให้เห็นซึ่งความตายด้วย เมื you, Vision, like that, ่อผู้ใดเห็นความตายอยู่เสมอหิตจะไม่ประมาทเหมือนกับว่าลมเข้าไปเราก็ตายลมออกมาก็ตายมันใกล้ที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็อ้างเอาพระองค์เป็นหลักด้วยว่าส่วนว่าเราจะถากตไม่ได้หลงไม่ได้ลืม มาลานะสมฐานนี้นั่งอยู่พระองค์ก็ น, นึกในอยู่ยืนอยู่พระองค์ก็ น, นึกในอยู่สเสด็จไปไหนเดินไปไหนพระองค์ก็รู้ได้อยู่เสมอว่าอันความตายนั้นมนใกล้เข้ามาขยับเข้ามาหรือว่าเราเดินไปสู่ความตายก็ได้มันใกล้เข้าไปขยับเข้าไปผลที่สุด ก็จะไปถึงจุดนั้นคือความตายมารณะกรรมฐานนี้ถ้าเรานึกเล็กๆน้อยๆมันยังไม่สงบยังไม่สลดสังเวก็เหมือนกับว่าว่าเล่นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมานึกถึงความตายจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจ จิตใจจะเปลี่ยนแปลงทีเดียวจะรู้สึกสำนึกตัวว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นคนเรายุคนี้สมัยนี้นั้นความตายไม่ได้มีแค่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นยางอื่นยังเพิ่มเข้ามาอีกด้วยอย่างอุปเทวเหตุต่างๆ มนุษย์สมัยนี้ไปมาทางไหนมันก็มียวดยานพาหะพาให้เป็นไปแต่คนเราส่วนมากมันก็มองไม่เห็นว่ายานพาหนะสิ่งที่นำเราไปมานั้นมันเป็นตัวภัยอันตรายสำคัญผู้ขับขี่ไม่สังวรระวังขิดกฎจราจรเมื่อใดเวลาใด มันจะแสดงความยึกรมมีการหลอกมนาะจนถึงความตายได้นับให้ท้น่นเมื่อเป็นเช่นนี้อันมรณะกนะรรมฐานนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรานึกเราจะเินจนมันซึมซาบเข้าในจิตในใจจะไม่มีวันหลงวันลืมก็มมันใกล้ที่สุดนะ แล้วมันก็เป็นความจริงเขามันมาถึงแล้วใครจะไปเรียกร้องขอไม่ได้ขอผัดวันระกันพุ่งก็ไม่ได้มันเอาตายได้ตรงนั้นไม่เลือกว่าเจ้าใหญ่นายโตคนทุกไลยอนาถามันไม่ได้ยกเล่นที่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าบนกุศลมันยังให้ผลอยู่ บุญเก่าเราทำมาบุญเก่านั้นยังให้ผลอยู่ถ้าหมดบุญเก่าเมื่อใดแลวมรณะภัยคือความตายมันจะพุบปับเข้ามาจนไม่รู้สึกตัวจนเอาไม่ทันเน่ยฉะนั้นจึงให้นึกน้อมให้ดีภาวนาให้ดีมรณะกรรมฐานนี่ท่านว่าเป็นยอดธรรมก่านหน เคยว่าชีวิตทุกชีวิตเวลามันจะจบลงไปไป จ, จบที่มรณะกรรมฐานเมื่อมรณะกรรมฐานมาถึงเข้าแลวนั่งอยู่ก็จําเป็นต้องลมตายลงไปยืนอยู่ก็เป็นได้ไม่เหลือตายได้ทางนั้นแหละนี่จึงให้พากันเอาไปนึกไปเจริญจนมันทราบชื่นเพลิงใจ จนมันเข้าอยู่ในดวงใจจริงๆจิตใจนั้นมันจะแน่ภาวนาติดต่อนอนเนื่องเป็นลําดับไปเพราะว่าคนเราที่ทําไปนั้นแมะมันเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นซึ่องตักเตือนอยู่ตลอดเวลามรรนังเมภาวิตติมรรนังเมภาวิตติเราต้องตายเราต้องตายไม่มีอะไรจะมาช่วยได้ ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองจึงช่วยเวลาภาวนาปฏิบัติบูชาทาความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิดียาบทเราต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้อยู่ทุกเวลา เมื่อทําอยู่ปฏิบัติอยู่จนมันเนืองนิจติดต่อกันไปจิตใจก็ยอมสงบดังนับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาได้เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้ไม่ทําวันหน้าเวลาหน้าจึงจะทําหลักสำคัญท่านว่าให้เอาหลักถือการเป็นปัจจุบันนั่นแหละสำคัญปัจจุบันนั้นคือไม่ให้มัน ถคาตกบกพรมีความรู้สึกอยู่ในใจของเราที่ไหนก็ให้นึกมองให้เห็นซึ่งมรารณกรรมฐานถ้ามันรวมจิตใจได้มันจะรู้สึกสะดุ้งในใจทีเดียวว่าเป็นจิตประมาทโมเมาทั้งๆ ท, ที่ความแก่มันเป็นอยู่ความเจ็บความไข้ความไม่สบายเป็นอยู่มีอยู่ทุกเวลา แล้วความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีเวลาคนเรามันจะถึงความตายนั้นนั่งอยู่ดีๆก็ตายได้มันเกิดลมเกิดแรงขึ้นมามันก็ตายได้เดินไปมาดีๆจะมุ่งหมายแค่ไหนเป็นบ้านนั้นเมืองนี้แต่นั่นทุกวันทุกคืนอยาได้สมาธิ พระพุทธเจ้าเตือนว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อรวมจิตรวมใจได้ทุกลมหายใจแล้วไม่เลือกว่าวันไหนเวลาใดย่อมเป็นภาวนาได้ทุกเวลาหลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนทุกยิเดียบท จะไปไหนมาไหนก็ตั้งใจอยู่ในใจของตัวเองภาวนาอยู่ทุกเวลาอันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางกุศลศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประการละชนีสกีติโยวิวัตชันตุสพะโลโกวินาศตุมาเตปวัตวตะวันตรยโยจุกติคายุโกปวัติวาตานาสีริชนิจังมุทตาปจาริโนจตาโรธรร ม, มวะทันติอายุวันโอชคกังปะหลัง